คำพันชัญญานะที่หลวงพ่อให้พูดจริงมันก็ใช้เราก็ใชยย้ทุกวันนี่แหละแต่เรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจนะไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยใช้ไม่เป็นนะภาษาภาษาของเราก็คือความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกในแต่ละขณะ ที่เราทำที่เราเคลื่อนที่เราไหวเดินไปเดินมารู้สึกต่างๆนั่นแหละความรู้สึกนี่มันก็มันก็มาพร้อมกับตัวสตินั่นนะถ้าสติสติเป็นตัวรู้นะแล้วก็สัพปัญชสมาชัญญาเนี่คือตัวที่ เรียกวเป็นตัวที่ถูกรู้ก็ได้คือนะความรู้สึกนะอย่าง เ, เรายกมือขึ้นเนี่ยมันรู้สึกใช่ไหมรู้สึกและตัวที่รู้ก็คือตัวสตนะิถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีสัมปันไม่มีสัมปันธัญนะมันมันมาด้วยกันทำนะ ถ, ถ้ามีทั้งสติสัมปันธัญนะ ถ้ามีแต่ความรู้สึกไม่มีสติเนี่ยมันก็ก็ไม่รู้นะมันก็เป็นธรรมชาติที่จริงมันมีอยู่แล้วแหละสัพพัญญะคือความรู้สึกนะมันมีแล้วแต่ว่าขาดตัวมารับรู้เฉยๆเนี่ยทีนี้เราก็เอาใจมารู้การเคลื่อนไหวรู้ความรู้สึกเนะี่ยพอ ม, มารับรู้มันกเกิดสติแล้วก็สัพพัญญะ มันก็ใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มาเอาสติเอาใจมารับรู้ไม่มากำหนดรู้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะถึงมีก็ไม่ไม่มีประโยชน์นะนะเรามาปฏิบัติมันก็แหละมาสร้างสมมาสั่งสมตัวตัวรู้ ม, มาฝึกสติให้มารับรู้ความรู้สึกแต่ว่ามันอืม ความรู้สึกนี่มันก็มีหลายชั้นนะหลายแบบความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็เป็นอีกแบบหนึ่งความรู้สึกที่เป็นสัมปชัญญะก็เป็นอีกแบบหนึ่งและตัวสติตัวปัญญามันก็เป็นจริงจริงมันก็รวมรวมกัมนอยู่นะเรามาปฏิบัติธรรมใ้เพื่อที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกจากกัน ถ้ามสังเกตจริงๆเขาแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นความรู้สึกเวทนาความรู้สึกสัพพัญญาความรู้สึกสติความรู้ที่เป็นปัญญาพวกนี้มันก็แยกไม่ออกแต่ก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆสร้างสมตัวสติตัวความรู้สึกตัวรับรู้ไปเรื่อยๆนะ มันก็สังสมอยู่ในตัวเรานี่แหละในจิตใจของเรานี่แหละสังสมไปเรื่อยๆจนวันใดวันหนึ่งมันก็จะเริ่มแยกออกแยกอาการของสิ่งเหล่านี้ออกมันโดยธรรมชาติดยธรรมชาติมันก็เหมือนกับพวก <c oughs> ต้นไมนะ้ที่เราปลูกนี่แหละ <c oughs> ตอนแรกมันก็รวมกันอยู่ในเมล็ดนั่นนะสิ่งต่างๆ แต่พอมันแตกออกมาเป็นต้นเป็นใบแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ที่มันสิ่งต่างๆที่มันรวมอยู่ในเมล็ดมันก็มันก็แตกออกมันก็เจริญขึ้นเป็นต้นเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านแล้วก็เป็นผลเป็นดอกเป็นผลแล้วผลมันก็จะแก่จากอ่อนก็เป็นแก่แล้วก็เป็นสุก ก็จะแยกเปลือกแยกเนือ้อแยกเมล็ดนะแล้วก็ได้เมล็ดใหม่ออกมามันก็นใช้เวลาทำไปเรื่อยๆในส่วนของนามธรรมานี่มันก็ยากซะหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดแล้วก็เปรียบเทียบกับรูปธรรมรูปธรรมนี่นะร่างกายของเราเนี่ยแต่ก่อนมันก็เหมือนเหมือนกันนะของพืชของสัตว์ของคนเนี่ย แต่ก่อนก็เป็นแค่เซลล์เซลล์เดียวเนาะแล้วก็มาผสมกันแล้วก็มาแตกออกนะเป็นแขนเป็นขาเป็นอายะตนะตาหูจมูจมกลิ้นกายใจเนี่ยก็ทําหน้าที่ของใครของมันแต่มันก็อยู่รวมกันอยู่ในตัวเรานี่แหละในส่วนของร่างกายนะเนาะอวัยวะต่างๆทั้งภายนอกภายใน ใจใตับไตไส้ปลอลพวกนี้ก็ทําหน้าที่ของใครของมันแต่มันก็อาศัยกันอยู่ซึ่งกันและกันอยู่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อจะแยกอในส่วนที่เป็นนมามธรรมส่วนที่เป็นเกี่ยวกับจิตใจเรามันก็มีหลายอย่างทั้งส่วนที่เป็นกุศลอกุศลนะซึ่งมากใหม่ๆเราก็จะเจอแต่ส่วนที่เป็น อกุศล น, นะศนที่เป็นไม่ดีก่อนในพวกนิวรณ์ต่างๆพวกนี้นจะเจอพวกนี้แล้วเมื่อพวกนี้เมื่อผ่านอารมณ์พวกนิวรณ์ว่าอุบสติศัก์เบื้องต้นได้ก็จะเจอกุศลอาจจะรู้จักในเรื่องของปีติความอิ่มใจความสุขความสบายใจแล้วก็จะได้รู้จักกับสติ ความรู้สึกตัวจะเริ่มแยกออกว่าอะไรเป็นสติอะไรเป็นความคิดอะไรเป็นส่วนของรูปอะไรเป็นส่วนของนามพวกนั้นจะเริ่มแยกออกตัวสัมปันธัญ ญ, ญาที่หลวงพ่อให้พวกนี้มันเป็นส่วนสำคัญนะเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางที่จริงก็เป็นตัวปัญญานะสัมปััญญาเนี่ยถ้าเกิดสติไม่มีสัมปััญญะเนี่ยมันก็ ไม่เกิดไม่เกิดปัญญานะต้องอาศัยตัวตัวสัพพัญญะคือความรู้สึกตัวนะแต่ละขณะแต่ละขณะจริงจมันเป็นภายนอกนะตัวสัพพัญญะเนี่ยเป็นความรู้สึกอยู่นอกนอกแต่ถ้าเกิดข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นปัญญานะถ้าเกิดเป็นรู้สึกใจนะรู้สึกภายในเขาเรียกปัญญา แต่ถ้ารู้สึกกายรู้สึกตัวนะั้นจะเป็นสัพพัญญะเราจะได้ยินสองคำนี้แต่ว่าสตินี่มันมันจะครอบไปทั้งสองส่วนนะถ้ามันมารู้สึกตัวภายนอกก็เรียกว่าสติสัม ป, ปัญญะอย่าเงี้ยถ้ามันไปรู้สึกใจภายในเขาเรียกว่าสติปัญญาอย่เงี้ยมันก็สติมันก็เป็นรู้นะรู้ภายนอกรู้การเคลื่อนไหวก็เป็นรู้ ส, สติสัพปพปัญญะ ทะลุการเคลื่อนไหวภายในก็เป็นสติปัญญาคือรู้ใจรู้ความคิดนั่นนะมันมันก็เป็นเรื่องที่มีในตัวเราไม่ใช่เรื่องยากหรอกเรารู้จักสังเกตเป็นทีน่นี้ที่ทําไมาต้องทําบ่อยๆทําไม่หยุดทําไม่เลื่อยนะก็เพื่อสังสมตัวความเข้มแข็งของสตินะสังสมตัวพลังของสตินะ สติมันมันรู้ได้ทั้งภายในภายนอกนะมันรู้ได้ทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายภายนอกดูได้ควบคู่ไปกับสัมปัชญะนะสตินะและในขณะเดียวกันมันก็รู้ภายในรู้ควบคู่ไปกับตัวตัวปัญญาคือรู้ความคิดความรู้สึกภายในความรู้สึกเวทนาเนี่ยมันก็มีทั้งภายนอ ก, ากภายในเหมือนกันนะ ความรู้สึกเวทนาภายนอกก็คือความเย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดเมื่อยพวกนี้นี่เมื่อสติมารู้เวทนาภายนอกมันก็มีสัปัญญญาควบคู่ไปด้วยนะก็รู้สึกกับอาการเวทนาภายนอกนะเรายกมือนี่มันมีทั้งไนเวทนามีทั้งความรู้สึกนะัน ความรู้สึกภายนอกความรู้สึกเวทนาเนี่ยนะแล้วอนตัวภายในเนะี่ยมันก็มีเวทนามันกันนะมันเกี่ยวข้องกันระหว่างตัวสัพพัญ ญ, ญสะสติปัญญาเวทนาพวกนี้ยมันเกี่ยวข้องกันนะถ้าเราไม่มีสติไม่ไ ม, ไมีไม่มีพลังพอเนี่ยมันก็จะเริ่มมันก็แยกไม่ออกมันก็ปนปนกันอยู่นั่นแหละอืม ความรู้สึกที่เป็นเวทนาภายในนั่นก็มันมันเป็นมันก็เกิดจากไอการกระทบสัมผัสภายนอกนี่แหละเกิดจากการอายตนะมันกระทบกั น, น, นตาเห็นโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้ก ล, ลิ่นลับลิ้นล้ำโลกนั่นมันกเกิดเวทนาขึ้นภายในใจเรานะทีนี้ ตัวภายในเนี่ยมันต้องอาศัยสติอาศัยปัญญานะแล้วการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางตัวความสัมพันธัญญาภายนอกเป็นตัวกลางตัวถ้าเราขาดสัมพันธั ญ, ญาภายนอกเนี่มันก็จะทําให้เราเป็นไปกับเวทนาภายในนะฉะนั้นท่านก็เลยให้เรามาสร้างสัมพันัญญะสร้างสตินี่ให้รู้การเคลื่อนไหวภายนอกเอาไว้ เพื่อเป็นตัวดึงไม่ให้ไม่ให้ใจไม่ให้สติเรานีไปเป็นกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นภายในจากการกระทบสัมผัสนั่นหะก็เลยต้องอาศัยสมถะนญยะความรู้สึกตัวจากการกำหนดรู้ภายนอกเป็นตัวดึงไวเรียกว่าเป็นฐานเป็นฐานสำหรับเป็นที่ตั้งเป็นเป็นหลัก นะต้องอาศัยตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เป็นที่ยืนเป็นที่ยึดเกาะเกี่ยวไว้เพื่อจะไปรู้ความรู้สึกภายในใรู้เวทนาภายในถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่รู้นะมันก็จะเป็นไปตัวสังเกตคือตัวปัญญานะนะ่มันก็จะเป็นไปกับ อาการที่มันเกิดขึ้นภายในใจเรามันก็เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบยินดีพอใจพวกนี้จริงๆอาการเหล่านี้มันมันก็มีเราก็สามารถรู้ได้นะถึงแม้มันจะชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเราก็ก็รู้ได้มไม่ใช่ว่าจะให้ไม่ให้มันเกิดนะ อย่างในสติประฐานที่เราปฏิบัติมันก็มีนะเวทนานี่ยนะแต่ว่าให้มันหยุดอยู่แค่เวทนาใยุดอยู่แค่นั้นอย่าให้มันกลายเป็นตัณหาอุเบกานนะเวทนาก็เป็นสิ่งที่เราที่ต้องนะรับรู้ที่ต้องทําความเข้าใจนะนคือความรู้สึกมันก็เป็นอีกขั้นที่สองนะอย่างที่เรากําหนดกายเนี่ยเป็นขั้นขั้นขั้นแรกกายเคลื่อนไหว กนะยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกในส่วนของกายที่มันหยาบหยาบแล้วก็ส่วนที่เป็นวัท่าสีปฏิคุณแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายนี่ครับก็รับรู้ไปนะแต่ว่าส่วนสำคัญ คือเราต้องการรู้ภายในนะรู้ความรู้สึกรู้ความคิดนะแต่ถ้าขาดตัวสัมพันญาณเนี่ยมันก็ ม, ก, มก็รู้รู้ไม่ได้นะรู้รู้แล้วก็ไปกับความคิดไปกับเป็นไปกับความรู้สึกนะถ้าขาดตัวนี่ฉะนั้นเราต้องต้องรู้จากตัวภายนอกให้เข้าใจแทมแชปรู้เข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจ ที่จริงว่ารูปนามนี่นก็คือตัวสมัมพันัญญากับสติภายนอกนี่แหละรู้จักรูปนามรู้จักความรู้สึกตัวรู้จักการเคลื่อนไหวที่มันเป็นอัตโนมัตินะคือพอเราเคลื่อนขยับตรงไห น, นมันก็รู้สึกไปไปเองอะนะให้มันรู้สึกเองมันก็ถึงจะไปรู้สึกอารมณ์ภายในได้แต่ว่าเมื่อไรที่เรา เคลื่อนไหวแล้วมันมันต้องได้กําหนดรู้อยู่นี่มันก็มันก็ยากที่จะไปรู้ภายในมันเป็นมันเป็นขั้นตอนของมันอยู่ทีนี้ตามประสบการณ์ที่อาตมาทํามาเนี่ยเข อ, อาศัยอาศัยทําบ่อยๆดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆเอาะก็ไม่ต้องไปกลัว ิดไม่กลัวไม่ต้องไปกลัวหลงไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่รู้คือเราก็ทำรู้บ้างไม่รู้บ้างถ้ามันรู้ตลอดนี่มันมันก็ผิดนะ้มันเคลื่อนไว้แต่ละครั้งเนี่ยรู้ตลอดมันก็มันก็ไม่ถูกหรือว่าถ้าหลงตลอดก็ไม่ถูกมันก็รู้บ้างหลงบ้างตัวรู้ตัวหลงเนี่ยมันก็ สติแล้วก็สามารถที่รู้รู้ที่หลังได้ถ้ามันลงไปแล้วก็รู้ว่ากลับมากลับมารู้สึกเนี่ยเผลอไปแล้วก็กลับมารู้สึกเผลอบ่อยๆแต่ว่าต้องให้มันบ่อยอย่าให้มันนานๆเผลอครั้งหรือนานๆหรือรู้นานๆนี่ไมก่ก็ไม่ถูกนะปฏิบัติธรรมต้องให้มันรู้บ่อยๆเผลอบ่อยๆนะั่นแะ ไม่ S <S ใช่ว่าวันหนึ่งรู้ครั้งตื่นขึ้นมาก็รู้แค่ครั้งเดียวตอน น, นั้นก็เผลอไปทั้งวันกไ็ไม่ไดนะ้ต้องให้มันเผลอก็รู้ว่าเผลอ ร, รู้ก็รู้ว่ารู้นะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้แหละทีนี้ก็เราก็สังเกตเอานะสังเกตสังเกตความรู้สึกนะเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีสาม สามวาระนะสามวาระก่อนแล้วในขณะแล้วก็หลั ง, งนี้เราทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีสามวาระอย่างนี้ยถึงว่าเราจะยังยังอย่างยงพลังฟังเนะี่ยก่อนก่อนที่เราฟังขณะที่เราฟังอยู่ขณะฟังไปแล้วอย่างงี้นะคือ จะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีสา ม, มแล้วแล้วก็ก่อนจะสวดมนต์ขณะสวดมนต์สวดไปแล้วก่อนจะกินข้าวกินอยู่กินไปแล้วอย่างเงี้ยก่อนมันจะมีข้าบเวลาที่อาจจะบางอย่างอาจจะสั้นอันจะยาวเนี่ยอย่างถ้าเป็นยาวๆก็อาจจะก่อนที่เราจะมานี่ขณะที่เราอยู่ที่นี่หกเจ็ดนะวันแล้วก็หลังจากที่เรา กลับไปแล้วอย่างนี้นะในเรื่องการเดินทางก็เหมือนกันนะก่อนที่เราจะมาขณะที่เรากําลังมามาถึงแล้วนะมันจะมีสามการสามเวลาแล้วก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะก่อนที่เรามาเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงเราที่เดินทางมาเราคิดอะไรรู้สึกอย่างไรมาถึงแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึก จะแตกต่างขณะที่เรากำลังมาในก่อนที่เราจะมาอะไรพวกนีน้ความรู้สึกพวกนี้เราก็สังเกตดูเอาแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างไรก็รับรู้เป็นอย่างนั้นนะนะก็ให้สติรับรู้อาการของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ถึงแม้มันจะมีความรู้สึกที่เป็นเวทนาอย่า ง, งไงก็แล้วแต่นนะตัวสติหรือว่าสัพพัญญะหรือว่าปัญญานี่มันมันจะคงที่นะสิ่งเหล่านี้ไอ้ตัวสัพพัญญาสติปัญญามันมันจะคงที่มันมันจะมันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกเวทนานะเราสังเกตให้ดีนะตัวความรู้สึกเวทนาเวลามันกระทบสัมผัสเวลาเกิดขึ้นทั้งสามการนะ มันมันจะไม่เหมือนกันความรู้สึกที่มันเวทนาแต่ว่าตัวที่เข้าไปรับรู้เวทนานะตัวสติสมัญญาตัวปัญญานี่มันมันจะคงที่มันมันทําหน้าที่ของมันเสมอต้นเสมอปลายนะแต่ว่าเราเราจะสังเกตเห็นหรือเปล่าแค่นั้นนะ่ะนะสังเกตตัวสติปัญญาเห็นหรือเปล่า คือบาเราก็จะไปรับรู้แต่อาการในส่วนของเป็นเวทนานะแล้วก็รู้ว่าเออเราก็รู้สึกต่างกันเนะวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกต่างกันก่นะอนก่อนจะกินข้าวแล้วก็หิวใช่ไหมละ่นะกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยเราก็เริ่มอิ่มกินไปแล้วก็อิ่มอย่างเงี้ยความรู้สึกเวทนามันก็ต่างกันอื่นๆก็เหมือนกันแล้วก็ไปปรับใช้นะกับ คนอื่นเวลาเราไปอยู่กับคนอื่นเียเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะส่วนนี้เป็นเวทนาแล้วว่าเป็นขันห้าของเรานี่แหละมันก็ทั้งสัญญาสังขารวิญญาณพวกนั้นแหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรรักษ์นะแต่ว่าตัวปรมามัดหรือว่าตัวรู้เนี่ย ตัวสติตัวปัญญาสัมปัน ญ, ญาะพวกนี้มันเป็นเรียว่าสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน้อยเนะรู้มันทําหน้าที่คงที่คงวาเสมอต้นเสมอปลายของมันอยู่นะมันมันไม่ขึ้นไม่ลงไปกับอาการนะถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็จะเริ่มแยกออกเอตัวหนึ่งก็เป็นตัวถูวกรู้ตัวหนึ่งก็เป็นตัวรู้ เราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้ น, นก็เห็นในส่วนที่เป็นรูปเป็นนามนในตัวสมรญญาสติปัญญาในเป็นนามไม่เปลี่ยนแปลงไปกับรูปนในส่วนของเวทนาสัญญาสังขารปัญญาพวกนี้ก็เป็น นามที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับรูปที่กระทบกันนะ น, นะรูปที่กระทบกันทางอายตนะอายตนะพวกนั้นมันก็ทํางานควบคู่กันอยู่แต่ว่าตัวที่เป็นปรมัตน์เป็นสติปัญญาพวกนี้ยมันมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นที่เราปฏิบัติเราต้องการให้รู้ตัวนี้แหละ รู้ตัวปัญญารู้ตัวสติพวกนี้อมันมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะสติมันจะชัดเรื่อยๆนะเราฝึกเนี่ยฝึกฝึกให้สติมารับรู้ในขันห้ารูปนามตัวนี้แหละเราก็จะเริ่มแยกออกแยกน้ำล้วนออกจากรูปนามออกจากน้ำรูปออกจากความคิดความรู้สึกพวกนี้มันก็จะ เป็นอิสระต่อกันแต่มันก็อยู่ด้วยกันนะนะอยู่ด้วกันอยู่มันไม่ได้ไปหนีไปไหนหรอก็เมืม่อไรที่มีอความรู้สึกมันก็มีสติอยู่ในนั้นแหละมีปัญญาอยู่ในนั้นอก็แต่เราส่วนมากเราก็จะไปอยู่กับพวกนั้นพวกเวทนาเนานะพวกขันห้าของเรารูปนามของเรานะแต่เราไม่ไม่ได้มาอยู่กับตัวสติ ตัวความรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ชัดนะสติไม่ชัดมันก็เลยไม่เห็นนะไม่รู้ก็สังสมทําไปเรื่อยนะมันก็จะเริ่มแยกออกนะปฏิบัติไปเรื่อยนี่ความรู้สึกนะความรู้สึกเฉยมันจะมากขึ้นนะความรู้สึกเฉยนะความรู้สึกเฉยนี่ บางทีมันก็เป็นเวทนานะถ้าเกิดขาดสติขาดปัญญามันก็เป็นเวทนาแต่เมื่อมันมีสติเข้าไปประกอบเนอะมีสมัมปทานยะมีความมีปัญญาเข้าไปประกอบนะมันก็จะเป็นตัวปัญญานะถ้ามีมเป็นความรู้สึกของปัญญาไปแต่ว่าถ้าเป็นถ้าขาดสติปัญญาก็เป็นเวทนาไปนะความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยเวลากระทบเราก็เฉยเฉยถ้าเฉยแล้วไม่รู้ก็เป็น โมห oh ะเป็นเวทนาไปถ้าเฉยเรารู้เข้าใจนี่ก็เป็นปัญญาไปเนี่ยเราต้องการให้จิตใจเราเป็นปกติเป็นเฉยๆนี่นหละมันมันมีอยู่นะมีอยู่เวลาที่มันมีเวทนาที่ความรู้สึกพอใจยินดีชอบไม่ชอบเนี่ยมันมีความรู้สึกเฉยๆอยู่ เฉยๆของสติเฉยๆของปัญญานะถ้าถ้าเราสังเกตเราจะเห็นถนะึงแม้บางครั้งมันก็จะหงุดหงิดลำคาญพอใจเลือกชอบหรืออะไรพวกนี้มีอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีตัวที่รับรู้เฉยๆอยู่เนี่ยตัวสติตัวปัญญาเนะี่ยมันจะรับรู้เฉยๆของมันอยู่เนี่ยมันก็เป็นเนะี่ยนเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นสิ่งที่ แตก่เหมือนกันเนะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะนาะก็เห็นแต่ความยินดีพอใจความหมงุดหงิดความโกรธความหลงโมโหรักชอบโกรธเกลียดชังพคนนั้นมันก็เห็นแต่อีกด้านหนึ่งแต่ว่าอีกด้านนึ่งไม่เห็นนะเนไม่เห็นไอ้ตัวที่เขาไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นแล้วมันก็รับรู้เฉยๆของมันอยู่นียตัวที่เรายกมือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเนะ ช่วยให้เราออกมาจากความาลงความยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นจะช่วยดึงออกมานะตัวสปเรนชั่นเป็นตัวดึงดึงสติดึงจิตใจเราออกมานะไม่ให้เราไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นนะก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแยกออกนะก็ต้องใช้ความอดทนหน่อยนะงจากถ้ามันยังไม่เกิดปัญญาก็อดทนทําไปนะ แต่วิธีการนี้มันก็ทำอยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะมันคือมันเป็นวิปัสนาก็เป็นสมถะอยู่แต่มันก็มันจะเรียงมาทางวิปัสนาเยอะหน่อยนะสมถะก็คือว่า ม, มันไม่ได้ไปอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะแต่ว่าเราทำแบบนี้มันมีหลายอารมณ์มันเป็นวิปัสนาก็คือมันรู้รู้ทุกๆอารมณ์มันะมันก็เลย สำหรับคนที่คนทำเป็นมนกง่ายนะอารมณ์อะไรมาก็รู้มันรู้อย่างเดียวนะพิพิธสานาคือรู้อย่างเดียวไม่ได้ไปให้เอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันทำสมถะที่เราเคยทามาสมถะที่เราทำมันก็ต้องไปรู้อยู่อารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้จิตมันสงบให้มันนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นแต่นี่มันไม่ไม่ได้ทำอย่างนั้น คือรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ทิ้งไปนะไม่รู้แล้วก็แล้วไปอย่างี้รู้รู้แล้วก็แล้วไปผ่านไปนีนะ่มันก็เลยคล้ายๆกับปฏิบัติเหมือนกับไม่ปฏิบัติใา้เขาเขาว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรนะีจริงมันก็ได้ได้รู้น eh. ั่นะได้รู้ที่รู้ที่มันกระทบสัมผัสรู้ที่มันที่เราปฏิบัติมันจะรู้ นิดหน่อยรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วตัวตัวตัวนี้แหละมันมันจะสะสมเกิดความชำนานเราทำให้เกิดความชำนานปล่อยเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วปล่อยไปไม่รู้แล้วก็แล้วไปเนี่ยคนนี้มันจะทำให้เกิดความชำนานเมื่อเกิดการกระทบสัมผัสแล้วมันก็จะไม่ยึดติดไงมันก็จะมันจะแตกต่างจากสมถะ สมาถานี้มันก็ถ้าไม่จิตใจเราสงบอยู่เป็นช่วงระยะเวลาของมันอยู่แต่ว่าเมื่อเราออกจากอารมณ์นั้นมันก็ไม่ทันเนาะไม่ทันต่อการกระทบสัมผัสเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกให้มันมารับรู้หลายอารมณ์นะสมถะมันรับรู้อยู่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต่างมันต่างกันอยู่ ถ้าเราความทําความรู้สึกตัวยกมือเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราไม่รู้แต่มือเคลื่อนไหวรู้แต่ความรู้สึกที่มันกําลังเคลื่อนกําลังไปกําลังหยุดอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสมถะนะเพราะว่ามันมารู้อยู่แต่ที่เดียวนะนะรู้มันอยู่แต่ที่กายอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไปรู้ที่อย่างอื่นนะ ไม่ไปรู้ที่เวทนาไม่ไปรู้ความรู้สึกไม่ไปรู้ที่เวลาจิตใจคิดมาก็ไม่ไม่รู้รู้ไม่ทันอเนี้หรือว่าเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมันภายในจิตใจนี่มันก็รู้ไม่ทันมันไปรับรู้เนี่ยคือมาสนใจแต่การเคลื่อนไหวของกายอย่างเดียวมันก็เป็นสมถะเหมือนกันบางคนปฏิบัติมานานมันมันเกิดปัญญาเพราะตรงนี้แหละคือว่า รู้แต่กายเคลื่อนไหวรู้แต่ภายนอกนั้นเมื่อจิตติดอยู่แต่ี่ความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวอย่างเดียวนี่นะมันก็ไม่เกิดวิพพ า, านญาณไม่เกิดปัญญาฉะนั้นเราปฏิบัติทำไม่ต้องไปตวไม่ต้องไปกลัวนะว่ามันจะไม่รู้ไอเวลาเรายกมือแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต้องไปกลัวาะว่ามันจะไม่รู้คือถ้าเกิดมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกนะ ยกไปอาจจะมีความคิดแทรกมีความง่วงมาแทรกมีความรู้สึกปวดเมื่อยหรือว่าควารู้สึกชอบไม่ชอบภายในใจเรามาแทรกเนี่ยคือเราไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่รู้สึกในขณะยกมือนะคือเราก็ไปรู้อารมณ์นั้นแทนได้นะรู้อารมณ์รู้ความคิดเวลาคิดมาก็รู้มันอ ถึงแม้จะไม่รู้ขณะยกมือก็ตามก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารูาเออคิดมาก็รู้ว่าคิดรู้สึกปวดเมื่อยก็รับรู้วรู้สึกแล้วกแก้ไขมันมีสีฐานนะกายเวทนาจิตทำอารมณ์ที่มันกระทบจิตใจแล้วมันเกิดความรู้สึกต่งตางๆภายในใจเราก็รับรู้แล้วก็พยายามรู้มัน ทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะเป็นการฝึกเป็นการเจริญวิปสัสสนาเนาะนะก็อย่าไปอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินไปอย่าไปแช่อยู่กับอะไรอันนะึงนานเกินไปบางคนก็ไปถ้าเกิดบางคนคิดมากก็ไปแช่อยู่กับความคิดนะคิดอยู่นั่นแหละคิดเรื่องนี้จบก็ต่อเรื่องนั้นต่อสำหรับคนที่จริตมิตรจลิต เป็นคนที่กระทบอะไรนิดหน่อยก็เก็บมาคิดง่ายๆพวกนี้ยนะก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่มีแต่ฟุนะ้งซ่านมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดวิปัสสนานอะมันไปอยู่แต่อันเดียวนะนะต้องให้มันได้รับรู้หลากหลายอารมณ์บ้างนะทิ้งอันนั้นบ้างมารับรู้อย่างอื่นบ้างนะถ้าพวกที่คิดมากๆฟุ้งซ่านมากนี่ก็ ต้องมาดูกายให้มากๆหน่อยนะดูกายเคลื่อนไหวมาอยู่กับภายนอกมากๆหน่อยนะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอะไรมีแต่ความสงบเนี้ยก็ต้องฝึกดูภายในว่างดูความสงบบ้างดูความไม่สงบบ้างภายในบ้างนะมันต่างกันแต่ละคนแต่ละคนคนเดียวกันแต่ละขณะก็ต่างกันนะ บางครั้งก็สงบดีบางครั้งก็ฟุ้งซ่านคิดมากสงสัยมากนะก็ต่างกันต่างขณะต่างเวลาต่างอารมณ์นะพวกนี้ก็ต้องสังเกตต้องเรียนรู้ศึกษาไปแล้วก็ทำทำแบบไม่เอาอะไรนะมันจะมันจะได้ความรู้ความเข้าใจเยอะนะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ สังเกตไปเรื่อยๆคืออย่าอย่าไปเอาแต่อย่าอย่าไปเอาแต่ความรู้นะอย่าไปเอาแต่ความรู้สึกนะต้องเรียนรู้ต้องทำการทำความศึกษา เ, เวลามันเผลอมันหลงมันเพลินไปกับอารมณ์อะไรก็ เ, เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนของเรานะเนาะมันเผลอไม่นานมันหลงไม่นานหรอกถ้าเรารู้สึกตัว ทำความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะมันก็เผือไม่นานก็ต้องพยายามใช้ความพยายามให้ความอดทนเอาอย่าไปอยู่กับอะไรอันหนึ่งพยายามสลัดออกแม้แต่ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็พยายามอย่าไปทําแบบ ต้องการให้มันรู้ตัวมากๆให้มีสติอย่าให้มีตันหาความอยากในนั้นนะทำไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามให้ทันตัวอารมณ์ภายในทันความคิดภายในนะคิดแล้วก็รับรู้มันแต่มันจะจบหรือไม่จบมันไม่ใช่หน้าที่เราเนาะนะความรู้สึกตัวและสมัมผัสานมันจะแยก มันคล้ายๆตัวตัวละลายอุปทานนะเป็นความยึดติดระหว่างเรากับความคิดออกจากกาันไะด้ตัวความรู้สึกตัวภายนอกสัมพัสัญะภายนอกนี่แหละมันะตัวแยกแยกอุปทานแยกเราออกจากไอ้ความความคิดเรียนกะว่าทําให้อุปทานน้อยลงนะถ้าความรู้สึกตัวมาก ชัดขึ้นเท่าไร่สติชัดขึ้นเท่าไรอุปทานก็จะน้อยลงความยึดติดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายนะในก็ไม่ค่อยยึดติดกับสิ่งที่เราเคยยึดนะถ้าเรามีสติความรู้สึกตัวมากสังเกตได้ถ้าเราปฏิบัติมานานเวลาโดนกระทบสัมผัสทางหูทางตา ทางกายทางใจก็แล้วแต่นั่นนะถ้ามันกระทบแล้วมันหลุดง่ายแสดงว่าเรามีสติเยอะแล้วมีสัมปชัญญะเยอะแล้วอก็เป็นอย่างนี้แหละทศามาก็ทําอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ทําแบบนี้แหล ะ, ะรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ใช่ว่าจะรู้ไปตลอดรู้ไปทุกเรื่องทุกอารมณ์นะก็ อาศัยว่าทำทำทำอยู่บ่อยๆนะอาศัยทำอยู่เนืองๆทำเล่นๆนะเวลาทำอะไรก็สังเกตนะตัวแอบดูตัวสังเกตเนี่ยตัวเองเนี่นะมันมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองนะเข้าใจอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้ตัวเองเปล่อยวางแล้วก็ เฉยเฉยได้มากขึ้นนะนะเฉยได้มากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งเนะอวก็ปล่อยวางแนละ้วก็รู้อะไรที่ควรทําไม่ควรทำํำจะแก้ไขปัญหายัางไงปัญหาตัวเองนะต้องแก้ตัวเองก่อนนะคนอื่นนี้ก็แก้ยากอยู่พอเราลําพังตัวเราก็มันก็ยากแล้วจะไปแก้ปัญหาคนอื่นก็ก็ลําบากต้องต้องแก้ให้เรา จิตใจเราเป็นปกติก่อนก่อนที่จะไปแก้ปัญหาคนอื่นนะก็อาศัยตัวการปฏิบัติเนี่แหลนะโยมมีปัญหาอะไรไหมขณะปฏิบัตินะมีใครมีปัญหาอะไรที่ว่าไปพวกนิวร น, นี่ข้อไหนบ้างที่มันไม่ผ่านมีไมโยมห่วงนะ ง่วงนี่ก็ดีนะง่วงรู้ง่วงง่วงแต่ว่ายกมือได้อดีแล้วแต่ว่าถ้าง่วงแล้วยกมือไม่ขึ้นเนี่ยคือคือท่านง่วงแล้วมันยังยกมือได้เดินได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะก็คือคือมันมันจะมันจะค่อยเกิดการเรียนรู้เข้าใจไปเรื่อยๆเนาะอาตมาก็ง่วงงพ่าก็ง่วงง่วงทุกคนแต่ว่าง่วงด้วยความรู้ความเข้าใจนะ ไม่ใช่ว่าง่วงแล้วก็หลับไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันก็ยกมือขึ้นอยู่พอเดินได้อยู่นะก็มันเป็นธรรมะด่านแรกนะในมันเป็นธรรมานุปัสสนาเนาะมันทาชั้นสูงนะความ ง, ง่วงนะไม่ใช่นะไม่ใช่ทำํำต่านะความง่วงคนที่เจอความ ง, ง่วงได้เนี่ยมันแสดงว่าเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาแล้วนะมันที่จริงมันมาด้วยกันนะ่นแหะ ทังกายเวทนาจิตธรรมมันมาพร้อมกันเริ่มต้นปฏิบัติก็มาพร้อมกันนั่นะอืมแต่ว่ามันอาจจะชัดหน่อยความง่วงอาจจะชัดกว่าเรื่องอื่นนะแล้วเรื่องอื่นเนะี่ยพอนอกจากความ ง, วง่วงเรามีอะไรอีกไหมมีวอนข้ออื่นอนะมันมาพร้อมกันไหมฟุ้งซ่านกับง่วงมาคนละขนาดเนาะคนละขอืมนะ การก็กฟุ้งซ่านคือมันดีแล้วล่ะอืหลวงพ่อเทียนบอกว่ายิ่งฟุ้งยิ่งดียิ่งคิดมากยิ่งดีนะเพราะว่านะมันคิดเท่าไหร่มันก็รู้เท่านั้นแหละนะคือไอ้มันมากับมันมาด้กันไนอะ้ที่มาบอกแล้วมันมาด้กันตัวปัญญาตัวสติกับตัวอคิดหรือว่าตัวรูปนามขันห้าของเราเนี่ย มันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วก็ตัวรู้ตัวสติปัญญามันก็มาด้วยกันแต่ว่ามันตัวฟุ้งซ่านตัวคิดมันจะชัดมันจะเด่นกว่าแล้วก็เลยเห็นตัวนี้ตัวที่เข้าไปเห็นไปรับรู้น่ะคือตัวสติน่ะไอ้มันมันไม่รู้ตัวเองหรอกนะไอความคิดอารมณ์พวกนั้นมันไม่รู้ตัวเองหรอกมันอาจต้องอาศัย ไอ้ใส่ตัวสติตัวปัญญาเนี่ยรู้นะสิ่งเหล่านั้นมันมันมันเป็นสิ่งที่ที่ต้องถูกรู้ถูกเรียนรู้นะเพราะไความคิดอ้นนั้นนะมันมมหน้าคิดน้าคิดหน้าที่คิดนะมันไม่รู้ไอ้ความคิดน่้มีห น, น้าที่คิดนะตัวที่ที่เรารู้จักว่ามันฟุงส่านเนี่ยคือ อะไรบอกเรารู้ไหมตัวที่เรารู้ว่ามันเราคิดเราฟุ้งซ่านเนี่ยเคยสังเกตไหม<ส>ความคิดมันไม่ได้บอกกับเราหรอกว่ามันมันคิดอ่ะมันมีหน้าคีย์คิดก็คิดของมันไปมีหน้าที่ฟุงฟ้งก็ฟุ้งมันไปเรารู้ว่าฟุ้งเน่ยสแสดงว่าเราเรามีตัวรู้แล้วอ응ืเรามีสติแล้วนะอ응แต่ว่าเราจะเห็นตัวรู้ตัวสติหรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันมีมีตัวรู้เกิดขึ้นแล้ว ถ้ารูว่าฟุ้งถ้ารวาง่วงน่ะมีตัวรู้เกิดขึ้นแล้วนี่สติเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันสติอาจจะมันยังไม่ชัดไม่เด่นเราก็เลยอาจจะสังเกตไม่เห็นเท่านั้นเองนะอฉะนั้นก็เลยต้องให้มันฟุ้งบ่อยๆคิดบ่อยๆง่วงบ่อยๆคือมันคือไม่ต้องไปกลัวหรอกนะไม่ต้องไปกลัวเลยคือยิ่งง่วงบ่อยๆคิดบ่อยๆฟุ้งบ่อยๆสงสัยบ่อยๆพวกนี้ยแสดงว่ายิ่งบ่อยเท่าไหร่สติยิ่ง รู้บ่อยเท่านั้นใช่ไหม น, น่ะบ่อยเท่านั้นมันมันก็เป็นเงนี้ยมันเมื่อที่หลวงพ่อเกษบอกนะไอ้ตมาก็ไม่เข้าใจยิ่งคิดมากยิ่งดียิ่งฟุงซานมากยิ่งดีไอ้เราก็ลำคาญน้อยเราโมแต่เป็นลำคาญอยู่นะมันก็เลยไม่ไม่ทันสังเกตนะเมื่อมันสติสัมปทานยะอมันรู้เท่าทันเนี้ยมันจะหลุดนะ มันจะหายลาคาญแต่ว่าความคิดไม่หายเนาะความคิดไม่หายแต่ว่าความงุหงิวลาหามจะหายไปนันก็จะเหลือแต่ความคิดนะความคิดอาจจะเปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะใหม่ๆแล้วก็คิดอาจจะคิดเรื่องนอกๆหยาบๆนะคิดเรื่องครอบครัวหน้าที่การงานคิดเรื่องคนอื่นนะถ้าเมื่อสติสัมปชัญญะ มันมากขึ้นนนละเอียดขึ้นนี่เรื่องความคิดหยาบมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันจะไปคิดเรื่องอื่นนะจะคิดเรื่องใกล้ตัวนะคิดเรื่องปฏิบัตินะคิดเรื่องธรรมะคิดเรื่องใกล้ๆนี่แหละคิดเรื่องความรู้สึกคิดเรื่องคิดหาความจริงคิดค้นหาความจริงพวกนี้นะ ก็คิดเข้ามาใกล้ๆตัวแต่มันก็เป็นความคิดฉะนั้นเราก็ต้องมองเป็นแบบภาพรวมเอาอย่าไปมองในเรื่องที่คิดนะมองแบบเป็นตัวโครงสร้างของมัน่ะมองว่าอความคิดมันก็เป็นความคิดนี่แหละจะคิดดีคิดไม่ดีอคิดสั้นคิดยาวคิดมากคิดน้อยคิดธรรมะคิด กุศลนะกุศลคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องตัวเองมันก็เป็นความคิดนะนะแล้วก็มองในส่วนที่เป็นกว้างๆไว้ก่อนนะถ้าเราไปมองในรายละเอียดนะมองในเรื่องที่มันคิดมันก็จะอาจจะหลงไปในเรื่องที่คิดอย่างเงี้ยนะแล้วนะนะต้องมองแบบว่ามันเป็นความคิดนะคิดเรื่องอะไร้เนเป็นความคิดนั่นน่ะนะแล้วก็ออกมาอยู่กับความรู้มันอยู่กับความรู้สึกตัว มันอยู่กับสติเนี่ยนะมันก็จะเริ่มถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับสติมันจะเริ่มมองความคิดเป็นความคิดนะไม่ได้มองว่านะมันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมองว่ามันเป็นความคิดแล้วก็ความคิดนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยถ้าเกิดเราออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวชัดๆมันอยู่กับสติชัดๆแล้วมาถ้ามันมาอยู่ตรงกลางอยู่กลางๆเนี่ยมันจะมองมันจะ ไม่มีอวตารจะแยกความคิดเป็นความคิดแล้วไม่จุดตรงกลางก็คืออยู่อยู่กับสตินะสติเป็นตัวกลางนะสติเป็นตัวกลางตัวกลางๆแล้วก็ตัวความรู้สึกตัวกับความคิดเนี่ยอาจจะเป็นคนละส่วนกันความรู้สึกตัวมันก็มารู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้การเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวในขณะที่ทํำนะ ความคิดมันก็มนาที่คิดไปคิดนั้นคิดนี้ไปของมันนะถ้าเรามาอยู่กับสติคือตัวรับรู้สัพพัญญะสติคือตัวรับรู้ความคิดรู้อารมณ์นะอยู่กับตัวที่รับรู้ตัวที่รู้เนี่ยนี่มันมันเป็นกลางกลางน ะ, นะสติเป็นกลางกลางอยู่แล้วก็จะไม่ไปยึดติดอยู่กับความคิดนะ มันก็จะเริ่มแยกออกเริ่มมาเอาความคิดมันก็ไม่ใช่เราเนาะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็สรรพัญญาความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งบางครั้งมันก็รู้บางครั้งมันก็ไม่รู้แต่ว่าตัวสตินี่มันมันคงที่นะ่ท่านที่เลยเรียกว่ามันเป็นมันเป็นตัวปรมัตดตัวสติความเข้าใจตัวปัญญาวนะ มันคงที่คือมันไม่ขึ้นไม่ลงนะมันไม่ไปกับมันไม่ตกอยู่ใต้กดของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราปฏิบัติทางเพื่อหาตัวเนี้ยตั ว, ต, วตัวที่มันไม่ขึ้นไม่ลงตัวเป็นกลางกลางเน่ยนะหาตัวสติหาตัวกลางตัวเนี้ยถ้เาเราแล้วถ้าเราเจอแล้วมันจะหลุดออกมาจากความคิดไดนะ้หลุดออกมาจากไอ้ตัวความรู้สึกที่ที่เรา ต้องการมากๆนะที่เราสร้างขึ้นมากๆบางทีเราก็สร้างแล้วก็ติดนะความความรู้สึกตัวเนี่ยนะความรู้สึกตัวบางทีก็สร้างมาแล้วก็อยากให้แต่รู้สึกตัวรู้ถึกตัวนะอาตมาเคยเคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะคือว่าชอบปฏิบัติี่ความรู้สึกตัวมันมันดนะีคือมันคือมันสบายนะ คนเคยเป็นก็จะรู้แล้วก็รู้สึกตัวแต่ว่าไม่รู้ความคิดนะมันก็แปลกอยู่นะนฮ้ ث, รู้สึกตัวทําไมไม่รู้ความคิดคมันรู้มันรู้ส่วนเดียวนะคือเราไม่รู้จักว่าสติที่แท้จริงมันคืออะไรแต่พอพอเราปล่อยพอเราไม่ยึดติดความรู้สึกเนี่ยเราก็ทําความรู้สึกตัวนี่แหละแต่ว่าเราไม่เราไม่ได้ต้องการมากเราไม่ต้องกา ร, รา ไ, มไม่ได้ยึดติดว่าจะ ต, ต้องให้มันรู้ตลอดนะก็เลย เกิเลยมาได้รู้จักกับตัวสติที่เป็นเรื้องกลางามันก็เริ่มปล่อยวางความคิดได้นะมันก็แตกอยู่มันก็เริ่มเข้าใจความคิดได้นะคือคือมันมันเห็นทั้งสองด้าน2 ส, ส่วนนะส่วนที่เป็นนะความรู้สึกตัวและส่วนที่เป็นความคิดเรียกว่าแยกรูปแยกนะ้ำแยกออกจากกาันได้นะนะเราเราทําบ่อยๆ ย, ยกมือบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆคิดบ่อยๆเนะครับ เนะีมันมันจะเริ่มเห็นตัวที่รู้เห็นตัวสตินะมันก็จะเริ่มแยกออกนะแต่มันมันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าปฏิบัติแบบนี้นะแต่ว่าแต่ละคนมันก็ต่างกันอยู่ว่าที่ว่าข้อแม้ก็คือว่ามันต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการรู้แจ้งนะเกิดนะี่ว่าต้องทําให้จิตมันเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงนะถ้าเราปฏิบัติมานะมันมันไม่เกิดความรู้แจ้มไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันเกิดแต่การเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังหรือจากการปฏิบัติมันก็พอจะรู้บ้างแต่ว่าจิตใจมันไม่พลิกไม่เปลี่ยนเนี่ยมันมันก็ไม่หลุดไม่ไม่่มมวางนะธรรมาก็สังเกตแต่บางคนก็ มันก็ไม่ได้หลุดไปทีเดียวก็ค่อยๆหลุดไปก็ ย, ยังดีนะแตข่ขอให้มันหลุดอยมันแจ้งขึ้นมาเป็นอย่างๆเป็นเรื่องๆไปนะเราสังเกตใหมว่าเราปฏิบัติมาเนี่ยมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจิตใจเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะถ้าจิตใจมันเปลี่ยนเนี่ยมันความรู้สึกก็เปลี่ยนนะความรู้สึกมันจะเปลี่ยน ความรู้สึกของเรานะความรู้สึกที่เรามีต่อความคิดต่อตัวเองต่อเวทนาความรู้สึกของเราที่มีต่อมันจะเปลี่ยนนะยมยมสังเกตออกหรือเปล่าว่าความรู้สึกของเรากับความรู้สึกของเวทนามันต่างกันนะเวลาเราอะไรกระทบสัมผัสมันจะเกิดความรู้สึกเวทนาไหมทีนี้เรามีความรู้สึกของเราต่างหากนะคือเรารู้สึก ต่อเวทนาหรือไม่หรื อ, ร อ, รอความคิดก็ตามเวลาคิดมาคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆทีนี้เราเรารู้สึกอย่างไรต่อต่อความคิดเรารู้สึกเฉยๆไหมรู้สึกยังไงระวางได้ไหมเราเป็นยังไงเนี่ยที่จริงมันก็มองไม่เห็น น, นนะเนอะมันเป็นอาการของของตัวเองสังเกตอาการตัวเองเอาว่า เนะวลามันกระทบสัมผัสเกิดความเปิดเวทนาเกิดความคิดนะอะไรต่างๆเกิดขึ้นภายในนะนะเราสังเกตว่าเรารู้สึกความรู้สึกเรารู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเนะี่ยถ้าเราเฉยได้แสดงว่าเรามีสติมากนะตัวตัวนี้แหละตัวเฉยๆตัววัดว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำ <c oughs> ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวเราเองนะรู้แจ้งเป็นเรื่องๆนะที่รู้แจ้งเป็นเรื่องๆเป็นขั้นๆก็คือตามที่เป็นลำดับขั้นของการเข้าใจนั่นแหละนะรู้เบื้องต้นแล้วรู้จากเรื่องรูปเรื่องนามพวกนี้ จริงๆก่อนที่จะรู้รูปนามมันก็ต้องรู้ไอความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็รู้จากอะไรเป็นสติเป็นความคิดมัอจะเริ่ ม, มค่อยจะรู้จักว่าอะไรเป็นรูปเปน็นนามนะเพราะนั้นแต่ว่าจิตใจต้องเปลนอย่างที่บอกต้องจิตใจท้เปลี่ยนแล้วก็จะรู้อาการของรูปของนามไปเรื่อยๆ ฉะนั้นก็ต้องทำนะไม่มีข้อแม้ว่าน่าคิดเอาก็ไม่ได้ต้องทำแต่ว่าการทำความเพียรเนี่ยที่เรามาทำร่วมกันนี้มันเป็นเป็นรูปแบบนะแต่จริงๆเราความเพียรจริงๆมันไม่มีรูปแบบนะมันมีรูปแบบคือเราทำได้ทั้งวันตลอดเวลาขณะที่เราตื่นอยู่เนี่ย ก็คนเพียรจริงๆน่นก็คื อ, คอเพียรเพียรภายในเพียรสียอย่างนะเพียรระวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตใจเราที่เป็นพวกอกุศลต่างๆภายในใจเราเนาะเพียรระวังเนี่ยเราปฏิบัติภายนอกก็จริงนะเคลื่อนไหวเดินจงกรมยกมือกจริงแต่จริงๆเราต้องระวังภายในนั้นนะระวังอารมณ์ความคิดความรู้สึก ที่มันไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นภายในนู่นนะจะความเพียร น, นั้นทำได้ตลอดเวลานะขณะที่เราไม่ได้ยกมือเคลื่อนไหว ไ, ไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้รู้สึกภายนอกแต่ว่าเราก็ต้องระวังภายในอยู่ระวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วล้วก็พยายามสลัดปล่อยวางให้ได้นะเพียรภายในแล้วนะก็สร้าง ความรู้สร้างสติความเข้าใจรับรู้ภายในขึ้นมาแล้วก็ข้อสุดท้ายในสําคัญเนาะ ส, ส, สำคัญมากๆซึ่งมากเราก็มันก็สร้างไม่ยากนะความรู้ความเข้าใจแต่ว่าการที่จะเราจะทําให้มันต่อเนื่องได้เนี่ยรักษาอารมณ์ให้มันต่อเนื่องได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากบางทีก็ขา ด, ขา ด, ขาด ห, หายลืมสังเกตตัวเองนะลืมรู้ตัวเองบางทีก็เผลอไปตั้งนานกว่า ลืมลืมมารู้อารมณ์ลืมมารูสังเกตจิตใจตัวเองบางที่โกรธไปแล้วถึงรู้รักไปแล้วชอบไปแล้วมุญญ่งิดลำคาญไปแล้วถึงรู้รู้ทีหลังนะเกิดขึ้นช้ารู้รู้ช้าไปแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะถ้าไม่แสดงออกมาภายนอกนะถ้าไม่ออกมาเป็นคำพูดการกระทำแล้วก็ถือว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลอะไร มันก็เป็นภายในจิตใจนะสมานั้นปฏิบัติธรรมก็ก็จะเป็นอย่างนั้นคืออาจจะมีความขุนเคืองหงุดหงิดภายในใจอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกมาทางคําพูดทางการกระทำํำนะแต่ทํำยังไงเราถึงจะรู้เท่าทันไม่ให้มันเกิดความขุนเคืองม่นเกิดควา ม, มพอใจยินดีภายในใจเรานะนจุดนั้นเร า, เราทาทำยังไงเพื่อมันเกิดปุ๊บก็รู้ปั๊บนั่นะ ต้องฝึกเอานะอ น, นั้นเป็นความเพียรจริงๆนะเวลาเรามันเกิดขึ้นตลอดเวลานะความรู้สึกความคิดภายใ น, นเกิดขึ้นตลอดเวลานะก็ต้องทำไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะกว่าจะมันจะเข้าใจนะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วนะฟังไปเรื่อยๆ นะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ถามไปเรื่อยๆเนาะเอารละอียดหลวงพอ่อท่านก็อภบัตอธิบายละเอียดนะบนางทีละเอียดเึินไปโยมก็ฟังไมนนะ่งี้ยน่ะต้องออกไปฟังหลายรอบหน่อยนะซีดีไปฟังเทปไปฟังนะปฏิบัติทำฟังหลายๆรอบทำหลายๆรอบนะแต่ ถ้าฟังเข้าใจแล้วเนี่ะก็ก็ต้องปฏิบัติให้มากปฏิบัติให้มากกว่าฟังหน่อยมันก็จะเกิดปัญญาของเราเองต้องอาศัยการฟังก่อนฟังแล้วกเกิดควา ม, วามเข้าใจแล้วก็ไปทาทาไม่เข้าใจก็ไปฟังใหมนนะ่ก็เป็นอย่างนี้นะ่สะสลับสอับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้อาตมาก็ทำนี้แนะ่ะฟัง ฟังมากฟังหลายรูปหลายองค์บางทีก็ฟังก็งสับสนไอ้องนั้นพูดอย่างนั้นองค์ น, นี้พูดอย่างนี้แต่ว่าเราโชคดีหน่อยไม่ได้ฟังหลายองค์แต่ว่าถ้าถ้ามันตรงกันมันก็อาจะพูดเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดเหมือนกันกะนะถึงไม่ต่างสำนักต่างวัดถ้าเท่าเข้าถึงความจริงนะนะมันมันเหมือนกันถ้าเข้าถึงความจริงแท้นะมันจะเหมือนพูดก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะก็ลงเน้นอยู่ที่ จิตใจให้มันปล่อยวางได้ให้รู้เท่าทันความจริงรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้นั่นแต่ว่ารูปแบบอาจจะต่างกันหน่อยต่างกันเยอะแต่ละสํานักเนะี่ยรูปแบบวิธีกําหนดรู้ต้องทอํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้คนใหม่ถ้าไปฟังในวิธีการเนี่ยโอาจจะสับสนอยู่นะนีะ่องค์ น, นั้นก็บอกให้ยกอย่างนี้ทําอย่างนั้นต้องหายใจอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนะี่ยโอ้ อาจจะสับสนแต่ว่าถ้าเกิดเราไปฟังรูปแบบหนึ่งคือในเรื่องของจิตใจเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะอาจารย์มาก็ฟังมาหลายสํานักหลายกวายจาร์แล้วก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่พูดถึงเรื่องภายในนะแต่รูปแบบมัจะต่างกันบ้างนะก็พอจะพอจะเข้าใจเนาะก็เหลือแต่เอาไปทําเท่านั้นแหละนะนะนะ ่าคงจะสมควรแก่เวลาแล้วละ่ะวันหลังถ้ามีเวลาโอกาสค่อยคุยกั น, นเป็นการส่วนตัวก็ได้หรือเป็นส่วนรวมก็ได้น่แต่สะดวก <นะ S 2> เทคนิคอาจจะมีเทคนิคย่อยๆเวลาเดินจมกลมอนี้ต้องเดินยังไงมันถึงจะรู้เร็วต้องยกมือยกยังไงมันถึงจะชัดใช่ไหมล่ะ มันมันต้องมีเทคนิคพิเศษนะไม่ใช่ว่าเดินไปอย่างนั้นนะยกไปอย่างงั้นไม่ใช่นะมันต้องมีวิธียกวิธีเดินนะมันมันก็มีวิธีการแต่เราเห็นโยมเนะเวลาเดินโยมกลเวลายกมือมั น, นก็ยกไปเรื่อยๆอยื่อยอะไรเง้ยน่ะบางคนก็เดินไป เ, เรื่อยอย่างงั้นคือลองคือมันถ้าทําอยู่แบบเดิมมันก็ไปแบบเดิมมันนะถ้าเราทําแบบ พิเศษหน่อยทําแบบนั้นดูบ้างเทคนิคแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านมีเทคนิคแต่ละคนแต่ละอย่างเหมือนกันนะเทคนิคของท่านวนะ่ต้องเดินอย่างนั้นนะต้องยกอย่างนี้ต้องเราก็ลองทําดูบ้างเพื่ออาจจะม่น่า จ, จะเข้าใจได้เร็วนะแทนที่เราจะทําตามอที่เราเคยทํามานะ <c oughs> สุดท้ายนี้ <c oughs> ก็ขอให้ญาตโยมทุกคนนะที่มาปฏิบัติ นะด้วยสิ่งที่เราสะสมได้ยินได้ฟังมาทำมาทั้งหมดนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกมันอยู่ในจิตใจเรานี่แหละนะแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเฉยๆนะก็ขอให้บุญสนกุศลสติสัพเทัญญาที่เราสะสมมานี่ัชงมาเป็นพลังเป็นพลวัตปัจจัยให้เราได้เข้าใจได้เข้าถึงสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเรา ในระยะเวลานใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ